เสียงสัตว์ป่าร้องระงมไปทั่วบริเวณเป็นเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวตระนกตกใจบางก็ร้องด้วยความเจ็บปวดที่ถูกสัตว์ใหญ่กว่าล่าเป็นอาหารเหยื่อทั้งหลายจะส่งเสียงร้องครวนครางไปจนกว่าจะขาดใจตายแต่เสียงครวนครางนั้นก็ไม่ได้ทำให้ผู้ล่าใจอ่อนยอมคืนทีวิตให้กับมันขึ้นชื่อว่าผู้ล่า ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์ย่อมไม่มีเมตตาธรรมประจำใจไม่คิดว่าผู้อื่นก็เป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายคิดแต่ว่าพวกมันเป็นเหยื่ออันโอชะของตนเท่านั้นท่านพระครูสำรวมจิตแผ่เมตตาไปยังสัตว์เหล่านั้นบัดดลเสียงร้องระ ง, งมก็ระงับไปแต่กลับมีเสียงแปรแปร็น ดังแว่วมาแต่ไกลพระธุดงดูด้วยตาปัญญาก็เห็นช้างปากโขงใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาอย่างท่านเป็นช้างหนุ่มที่กำลังตกมันจึงดุดันโหดร้ายยิ่งนักช้างอีกแล้วหรือจะดุร้ายเหมือนที่พบในป่าดงพญาเย็นหรือไม่นอ้อท่านรำพึงพลันก็ได้ยินเสียงตอบดังอยู่ข้างหูว่า ดุร้ายกว่าหลายเท่านักเพราะมันเป็นทางพ ม, มา่าทั้งดุทั้งน่ากลัวเธอตกที่นั่งลำบากเลยแล้วพระธุดงค์รู้สึกอุ่นใจเพราะจําได้แม่นว่าเป็นเสียงของหลวงพ่อดำอาจารย์ของท่านคอยช่วยอยู่แล้วจะกลัวไปใหญ่ในเมื่อหลวงพ่อคอยช่วยอยู่นอกจากนี้ผมก็ยังมีวิชาคดชศาสตร์ ที่เรียนมาจากหลวงพ่อเดิมประเดียวผมจะแผ่เมตตาให้หัวหน้าช้างเสียใจงานนี้หัวหน้าทางยังมาไม่ถึงช้างโคลงนี้มันดือ้อและดุจนหัวหน้าตามไม่ทันกว่าหัวหน้าจะมารับเมตตาที่เธอแผ่ให้พวกลูกน้องก็เยียบเธอแบนตัดแต่แล้ว หลวงพ่อพูดน่ากลัวจังแล้วผมจะทำยังไงละ่ะพวกมันใกล้เข้ามาแล้วผมคงแย่แน่ถ้าพวกมันรู้ว่าในอดีตชาติผมเคยรบกับพม่าและเกลียดพม่าเข้ากระดูกพวกมันจะต้องเหยียบผมแบนตะแตะ่างที่หลวงพ่อว่าผมเห็นจะต้องมอดม้วยมรณาที่วาววายแวบเป็นปลาแปบปิ้งอย่างแน่นอน มัวพูดเล่นอยู่นั่นแหละเอาละเธอต้องลบขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ก่อนเรามาบอกแค่นี้แหละพรุ่งนี้พบกันบนยอดเขารู้ว่าอาจารย์ไปแล้วภิกษุไว่สี่ห้าจึงรำลึกนึกถึงพระพุทธวจนะอัตตาหิอัตโนนาโทท่านรีบสำรวมจิตเข้ารูปฌานทั้งสี่ด้วยวายโยกสินที่ฝึกมาอย่างดี ออกจากชาญสี่ตามลำดับแล้วก็น้อมจิตไปให้ได้อภินยาแล้วอิทธิวิทาก็บังเกิดท่านลอยขึ้นไปนั่งอยู่บนคบไม้ต้นที่สูงกว่าต้นอื่นเป็นเวลาเดียวกับที่โคลงช้างวิ่งผ่านมาและเหยียบกรดของท่านพังเครื่องอัถบริขารกระจัดกระจายบาดแตกฝาบาดบุกบิบบู้บี้พวกมันไปกันแล้ว ท่านจึงลงมาเก็บข้าวของโดยอาศัยอาโลกะกสินเข้าช่วยทำให้มีแสงสว่างมองเห็นข้าวของที่กระจัดกระจายกลดถูกช้างเหยียบขาดเป็นรูโวท่านต้องนั่งเย็ยบอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงจึงเรียบร้อยดูเอาเถิดมาเหยียบข้าวของเราเสียหายหมดดีนะที่เข็มไม่หัก ไม่เช่นนั้นเราก็ต้องนอนในกรดขาดขาดแล้วฝูงยุงก็จะหามเราไปทิ้งที่เมืองหงสาวดีท่านยังมีแก่ใจสร้างอารมณ์ขันแต่เอาเถอะเสียของก็ยังดีกว่าเสียชีวิตจำไม่ได้หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเทจ้าทรงสอนไว้ว่า จเทท่านังอังควรัตสะเหตุอังคังจัเทชีวิตังรักขมาโนอังคังท่านังชีวิตตันจาปิสัพพังจัเทนโรธรรมะมนุสสรันโตพึ่งสละทรัพเพื่อเห็นแก่อวัยวะพึ่งสละอวัยวะ ในเมื่อจะรักษาชีวิตพึงสละได้หมดทั้งอวัยวะทรัพย์และชีวิตในเมื่อคำนึงถึงธรรมคิดได้อย่างนี้ก็สบายใจข้าไม่ว่าพวกเองหรอกพ่อช้างหนุ่มทั้งหลายเอย๋ยแต่ข้าจะต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมพวกเองถึงมาแกล้งข้าข้าไปก่อกรรมทำเข็น ไว้กับพวกเองตั้งแต่เมื่อไรกันครั้นจัดข้าวของเข้าที่แล้วท่านจึงนั่งภาวนาเพื่อจะหาคำตอบให้ได้ว่าเหตุใดช้างหนุ่มโคลงนั้นจึงได้กระทำย่ำยีท่านหนักหนาสาหัสถึงปานนี้นี่หากอาจารย์ไม่ช่วยคงม้วยมอดเป็นแน่แท้ภาพที่ท่านถูกพวกมันเหยียบ จนแบนตัแต่คงไม่น่าดูนักวันรุ่งขึ้นถ้าพวกคนป่ามาพบเห็นท่านในสภาพนั้นคงเสียหายหลายแสนเพราะพวกเขาจะพากันคิดว่าขนาดท่านเป็นเจ้าป่าก็ยังต้องมาแพ้ช้างเลยพากันหมดศรัทธาและไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านสอนเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาก็จะเสื่อมจากคุณอันควรได้ควรถึง หมดโอกาสที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีงามตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ววัตจักรชีวิตของพวกเขาก็จะไม่มีวันพ้นจากอบายภูมิไปได้พระทุดองวัย45นั่งเจริญอานาปานาสติด้วยการกำหนดรู้อาการพองยุบของท้องยามหายใจเข้าออก จนจิตตั้งมั่นแล้วจึงเข้าออกรูปฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงจตุตถฌานด้วยอาณาปณะสติกรรมฐานออกจากจตุตถฌานแล้วน้อมจิตไปให้ได้อภิญญาบัดด น, นั้นจุตูปปาตายานก็บังเกิดท่านได้เห็นกรรมของช้างโขลงนั้นแล้วในอดีตชาติ พวกมันเคยเป็นทหารพม่าและเคยทำสงครามกับไทยหลายครั้งกระทั่งตายในสนามรบขณะตายจิตมีโมหะจึงมาเกิดเป็นเดรัจฉานจากคนพม่าก็มากลายเป็นช้างพม่าไปความที่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันจึงบังเอิญมาทำข้าของของท่านให้เสียหายโดยที่พวกมันไม่รู้ เท่ากับพากันสร้างอากุศ ล, ลวิบากโดยไม่ได้ตั้งใจอุปมาดังทารกไร้เดียงสาเอื้อมมือไปจับไฟถึงจะไม่รู้ว่าไฟร้อนก็ต้องถูกไฟไหม้มือฉะนั้นทราบดังนี้แล้วท่านพระครูจึงแผ่เมตตาให้พวกมันแม้ในอดีตท่านจะเคยเกลียดพมา่าแต่เมื่อท่าน ถือเพศบรรพชิตและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยจนกระทั่งเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจิตของท่านจึงเป็นอุเบกขาปราศจากความรักความชังใดๆมีแต่เมตตาปราถนาให้สรรพสัตว์อย่ามีเวรซึ่งกันและกันอย่าพยาบาทเบียดเบียนกันอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงสมพารวัดป่ามะม่วงนั่งเจริญเมตตาภาวนาอยู่ในกรดตลอดราตรีอนุภาพแห่งเมตตาสมบัติช่วยปกป้องคุ้มครองท่านมิให้สัตว์ป่าหรืออสรพิษร้ายมากล่อมไกยแม้ปลายเล็บนอกจากนี้ยังทำให้สัพพสัตย์น้อยใหญ่ ระงับการเขียนข่าเ บ, บียดเบียนชีวิตกันไปได้อีกเจ็ดที่วาราตรีแต่จะให้หยุดการเบียดเบียนกันตลอดไปนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมท่านไม่สามารถฝืนกรรมได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมของสรรพสัตรหรือกรรมของท่านเองแม้พระโมคคัลนะซึ่งเป็นพระอรหันต ผู้ทรงอภินยาก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเหนือฟ้ายังมีฟ้าแต่ไม่มีอะไรเหนือกฎแห่งกรรมไปได้ <c oughs> ไก่ป่าส่งเสียงขันเอกอีเอกเอกปลุกเพื่อนร่วมโลกให้ตื่นจากนิทราหมู่วิหกโบยบินจากรังออกไปหากิน นกกาว่าวส่งเสียงกาว้วกาว้าไม่ขาดระยะกลิ่นดอกไม้ป่าหอมตลบอบอวลชวนให้ใจรื่นรมธรรมชาติสวยงามหากก็แฝงด้วยความโหดร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันของหมู่สัตว์เว้นการเบียดเบียนเสร็จแล้วป่าใหญ่แห่งนี้คงเป็นเหมือนสวรรค์นบนดินโดยแท้พระทุดงวัยสี่สิห้า กำหนดจิตแผ่เมตตาไปยังสรพสัตแล้วจึงอุทิศส่วนกุศลอันเกิดจากการเจริญภาวนาตลอดราตรีนั้นไปยังบิดามารดาญาติมิตรครูอุปชาอาจารย์เทวดาเปรตเจ้ากรรมนายเวรและสรพสัตตามลำดับจากนั้นจึงออกจากกรดไปล้างหน้าแปลงฟันยังลำธารเล็กๆซึ่งมีน้ำตกไหลลงมาจากภูเขา เสร็จแล้วจึงเดินกลับมายังกรดคิดว่าจะนำบาทไปฝังดินเพราะเมื่อมันแตกหักทำลายลงแล้วก็หาประโยชน์อันใดไม่ได้ประดุดร่างกายที่เน่าเปื่อยผุพังย่อมยังชีวิตให้ยืนยาวต่อไปไม่ได้อีกฉะนั้น <M> mm> เมื่อท่านเข้าไปในกรดก็พบว่าบาทใบเก่าหายไปมีใบใหม่มาแทน ลักษณะคล้ายกับบาทของหลวงพ่อดำทว่าใบเล็กกว่าท่านรู้ในทันทีว่าอาจารย์มาแก้ปัญหาให้อีกครั้งก่อนไหนหลวงพ่อสอนผมให้ช่วยตัวเองแล้วทำไมต้องมาช่วยผมด้วยท่านทําทีเป็นต่อว่าหากใจนั้นรู้สึกซาบซึ้งเสียนักที่อาจารย์ของท่านให้ความช่วยเหลือเจือจุน เปิดฝาบาดออกคิดว่าจะพบอาหารหากก็พบแต่ความว่างเปล่าสงสัยหลวงพ่อรู้ว่าพวกคนป่าเขาจะนำอาหารมาให้ผมท่านพูดอีกหากครั้งนี้เป็นการปลอบใจตัวเองแล้วท่านก็ได้ยินเสียงโ่มาแต่ไกลคงเป็นเสียงคนป่านั่นเองประเดี๋ยวหนึ่งก็เห็นพวกเขายกขบวนมา มีทั้งลูกเด็กเล็กแดงและพวกผู้หญิงแต่ละคนใช้ใบไม้มาปกปิดท่อนล่างยกเว้นเด็กๆที่ไม่ต้องปิดครั้นมาถึงหัวหน้าก็ส่งสัญญาณให้ทุกคนนั่งลงแล้วกราบท่านสามครั้งตามที่ท่านสอนไว้เมื่อวนวานแสดงว่าหัวหน้ากลับไปซักซ้อมให้กับสมาชิกเพราะทุกคนทำได้ถูกต้องสวยงามแม้แต่พวกเด็กๆ ส่วนพวกที่ยังเล็กมากก็ประนมมือแต้แต่ไม่ได้กราบท่านทักทายพวกเขาด้วยภาษาจิตปวกภาษามือที่ท่านคิดขึ้นเองหัวหน้าคนป่ากราบเรียนว่าพวกข้านำอาหารมาให้ท่านกินแล้วก็พาพวกผู้หญิงและเด็กๆมาขอพรจากท่าน สมภารวัดป่ามะม่วงมองดูอาหารที่เข้าห่อด้วยใบตองไม่มีอาหารต้องห้ามสำหรับภิกษุท่านจึงส่งสัญญาณให้พวกเขากล่าวคำถวายพระตาหารและสมท า, านศีลโดยท่านเป็นผู้กล่าวนำเริ่มตั้งแต่นโมตัสสะพระคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งพวกคนป่ากล่าวตามเสียงดังก้องไพร จากนั้นท่านจึงให้ศีลและอธิบายให้พวกเขาด้วยภาษาที่ท่านคิดขึ้นว่าก่อนจะถวายพระตหารแด่พระภิกษุต้องสมาทานศีลและรับศีลก่อนจึงจะได้ชื่อว่าทำบุญครบไตรทวารซึ่งได้แก่กายทวารกายทวารวจีทวารและมโนทวาร เมื่อพวกคนป่ารับศีลและกล่าวคำถวายสังฆทานแล้วท่านพระครูจึงพิจารณาอาหารตามพระวินัยบัญญัติด้วยการสวดปฏิสังขาโยนิโสปันธิปาตังปฏิเสวามิไปจนถึงญาตาราจะเมพระวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหาโรจาติ แล้วจึงลงมือฉันหัวหน้าคนป่าออกสงสัยว่าเหตุใดเจ้าป่าเจ้าเขาองค์นี้จึงต้องท่องคาถาก่อนกินอาหารครั้นจะถามเดียวนั้นก็เกรงว่าจะเป็นการรบ ก, กวนท่านจึงคิดว่ารอให้ท่านกินเสร็จแล้วจึงค่อยถามท่านพระครูรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่และนึกชมเชยในความมีมารยาทดีของเขาถึงเขาจะเป็นคนป่าเกิดในที่ ที่ไม่มีความเจริญแต่ก็ยังรู้จักกาละเทสะคนเมืองบางคนเสอีที่ไม่มีมารยาทเช่นนี้ฉันเสร็จท่านพระครูจึงสื่อสารให้พวกเขาประนมมือรับพรแล้วท่านจึงให้พรจากนั้นจึงอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่าท่านไม่ได้เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาดังที่พวกเขาคิด แต่เป็นพระภิกษุในพระบรมพุทธศาสนาซึ่งว่าโดยคุณธรรมแล้วสูงกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาพระภิกษุที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถือว่าเป็นผู้ประเสรศิฐแม้เทวดามารรมก็ยังต้องเคารพกราบไหว้และที่หัวหน้าคนป่าสงสัยว่าเหตุใดท่านจึงต้องสวดก่อนกินอาหารซึ่งภาษาพระ ใช้คำว่าฉันแทนคำว่ากินเพราะพระภิกษุจะต้องสำรวมอินทรีย์จะฉันอาหารก็ต้องพิจารณาเสียก่อนคำที่ท่านใช้สวดนั้นเป็นคำภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในพระพุทธศาสนาเถรวาทบางครั้งก็เรียกภาษามาคตมีความหมายว่าท่านจะไม่ฉันอาหารเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน ไม่ฉันเพื่อความเมามันเกิดพะละกําลังทางกายไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่แห่งกายนี้เพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเพื่อความสิ้นไปแห่งความลําบากทางกายเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เมื่อทําได้อย่างนี้ย่อมระ ง, งับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิว และไม่นำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นความเป็นไปสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยและความเป็นอยู่ภาสุขด้วยจะมีแก่ท่านด้วยการประพฤติดังกล่าวมานี้ท่านพระครูอธิบายยืดยาวโดยใช้ภาษาจิตบวกภาษามือทั้งที่รู้ว่าผู้ฟังทั้งหมดนี้ที่จะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง มีเพียงคนเดียวคือคนที่เป็นหัวหน้าเท่านี้ท่านก็คิดว่าคุ้มแล้วคนที่เป็นหัวหน้านั้นย่อมต้องมีสติปัญญาและไหวพริบดีกว่าคนอื่นจึงจะสามารถนาหมูนะ่คณะไปสู่จุดหมายได้สมภารวัดป่ามะม่วงคำนึงถึงประโยชน์ที่พวกคนป่าจะได้รับในการที่พวกเขาได้มีโอกาสได้พบท่านสมดังพุทธวจะนะ ที่ปรากฏในมงคลสูตรว่าสมนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสากิจถาเอตมังคลังมุตตมังการพบเห็นสาระหนึ่งการสนทนาธรรมตามการหนึ่งนี้เป็นมงคลอันสูงสุดท่านจึงสอนให้พวกเขารักษาศีลและสวดมนต์บทสวดที่สั้นที่สุดอยู่ในคาถาที่แปด ของกรณียเมตตาสูตรซึ่งท่านให้สวดเพียงกึ่งคาถาคือเมตันจะสภะโลกสมงมานะสัมภาวเยอปะริมานังซึ่งแปลว่าบุคคลพึงเจริญเมตตาให้มีในใจไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้นเพราะเมื่อพวกเขาเจริญเมตตาอยู่เป็นนิดก็จะไม่มีเวรไม่มีกรรมต่อกัน และเจะละเสด็จได้ซึ่งความพยาบาทเบียดเบียนกันแล้วก็จะมีพลา น, นิสงแผกขยายไปยังสัตว์อื่นที่อยู่ในป่าแห่งนี้ด้วย